เอาทีนี้เล่าที่ความหมายถึงยังไงไม่ทุกข์ไม่สุขดีดีเฉยๆค่ดีมากมากเลยค่ะบรรยายไม่ถูกค่ะมันไม่เหมือนตี๋ค่ะอ๋อบรรยายไม่ถูกมันดีอค่ะมันดีมันดีถูกใจถูกใจใช่ไหมแบบว่าถูกใจถูกใจใช่ใช่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่โมโหไม่โกรธไม่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่เป็นน่าโกรธก็ไม่โกรธอ่าโอเคนะเอาเราเอาฟังแค่นี้ก่อนนะเพราะพ่อเรารู้จักเลยละอ่า ฟังให้ดีนะว่าอย่างสมมุติว่าสมมุตินะเวลาอัตมามีทุกมีสุขเนี่ยโยมรู้อัตมาได้ไหมว่าอ่าอัตมามีทุกมีสุขไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมเออแล้วทีนี้อย่างคนทั่วไปเนี่ยเขาจะรู้ในสิ่งที่โยมรู้โยมเห็นได้ไหมคนทั่วไปเออหมายหมายถึงว่าเห็นเห็นอาการของโยมอ่ะไม่เห็นไม่เห็นอ่าโอเคไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นได้ เพราะฉะนั้นอาการที่โยมเล่ามาเนี่ยนะใครเป็นคนเห็นอาการนั้นอ่ะโยมค่ะโอเคนะโยมเนาะอืโยมเห็นโยมเป็นผู้รู้โยมเป็นผู้เห็นอาการเนา ะ, ะแสดงว่ามันมีอาการเกิดขึ้นอย่างที่โยมว่าแล้วก็อีกอีกคนหนึ่งก็คือเป็นคนรู้รู้ว่ามีอาการอย่างที่ที่โยมเล่าเนาะ ตรงอ่าตรงนี้นะลองฟังให้ดีก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นสองเขาเรียกว่ามันมีสองสองสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ไปรู้เป็นถูกรู้สิ่งหนึ่งเป็นผู้รู้นะแต่ผู้รู้อันนั้นเนี่ยมันเป็นโยมใช่ใชไหมถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกว่าให้รู้จักตัวเราให้เห็นตัวเราอ่าทีนี้อย่างเหตุการณ์ของโยมเนี่ยชัดมากตัวเราคือใครตัวเราคือผู้รู้เนาะอืมชัดเจน ทีนี้พอตัวเราคือผู้รู้เสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจริงๆอ่ะผู้รู้เนี่ยมันเป็นวิญญาณนะเป็นวิญญาณนขันเมื่อมันรู้อะไรแล้วเนี่ยมันก็จะจําได้นะแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกเช่นรู้สึกดีจังเลยอ่ะแล้วทีนี้ผู้รู้เนี่ยมันก็จะส่งต่ออีกทําให้มีการพูดมีการคิดเช่นพูดพูดว่าอะไรก็พูดมาบอกให้เราฟังว่าโอมันอย่างนั้นอย่างนี้มันดีจังเลยอ่ะทีนี้พอเป็นอย่างเนี้ย เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเขแสดงความเห็นนะเพราะตรงนี้มันจุดไยไร้มากเลยอืตรงเนี้ยมันมีเขาเรียกว่ามีทั้งเวทนาคือความรู้สึกดีจังเลยสัญญาจําได้จําได้ว่าอาการแบบนี้ไม่ทุกข์ไม่สุกอ่าแล้วก็สังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งแล้วก็วิญญาณคือวิญญาณขันครบเลยนามธรรมสี่ขันแต่โยมเนี่ยไปยึดขันทั้งสี่นี้ว่าเป็นโยม ตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดเป็นความเห็นผิดเขาเรียกว่ามองไม่เห็นตัวเองเนาะพอมองไม่เห็นตัวเองปั๊บมันก็จะเป็นตัวโยมเป็นผู้รู้สึกเป็นผู้เห็นเป็นผู้จําได้เพราะฉะนั้นในทางธรรมะจะต้องวางขันทั้งหมดนี้ให้เห็นว่าตัวโยมเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจริงๆคือขันห้าขันห้าก็คือมีรูปใช่ไหมเออมีรูปคือมีมีรูปร่างอ่ะแล้วก็มีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณห้าขันครบพอดีเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้หลงผิดว่า ตัวโยมนะมันเป็นตัวโยมจริงๆแต่แท้จริงมันเป็นขันหา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รู้จักอย่างแจม่มแจ้งว่านี่แหละคือขันหา้ทาทั้งดุนทั้งก้อนเลยจงปล่อยไม่ยึดถือขันหา้าเมื่อปล่อยไม่ยึดถือขันหา้าเท่ากับว่าปล่อยวางตัวเราเมื่อหมดตัวเราตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวสุดท้ายเมื่อหมดตัวเราแล้วมันจึงเป็นความไม่มีอะไรแล้วมันว่างแล้วเออเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงอย่าไปหลงว่ามีเราเป็นผู้รู้พอรู้ทันว่ามีเราเป็นผู้รู้เสร็จ ให้เปลี่ยนเป็นความเข้าใจถูกเสียว่าโห้่ยหลงอีกแล้วหลงไปเป็นตัวเรารู้อีกแล้วแค่เนี้ยเปลี่ยนหลงเป็นรู้เรียบร้อยแล้วก็ความเป็นตัวเป็นตนก็จะหมดไปในขณะจิตถ้าเห็นตัวเราอย่างเนี้ยคราวใดเนี่ยให้ใช้สูตรนี้ล่ําไปว่าเอ้ยหลงไปเป็นเราอีกแล้วหลงไปเป็นเรารู้อีกแล้วหลงไปเป็นเรารู้อีกแล้ววางวางวางตรงเนี้ยมันจะหมดตัวหมดตน อ๋อค่ะเข้าเ ข, ข้าใจไม่ไม่เอาไม่ยึดถือรู้อะไรก็ได้แต่ว่าไม่ยึดถือว่าเราเป็นผู้รู้แต่มันรู้จริง <c oughs> ๆแต่ไม่ใช่เรารู้เออแต่มันก็ดีค่ะทีนี้คนส่วนมากจะรู้จักแต่อารมณ์เช่นรู้จักว่าไม่ทุกข์ไม่สุขแต่ไม่มีใครย้อนเข้ามาดูเลยว่าใครเป็นคนรู้ว่าไม่ทุกข์ไม่สุข พอพอไม่ย้อนเข้ามาดูก็ปรากฏว่ามันจะวางตัวตนไม่ได้ดิกลายเป็นว่าเราเนี่ยเราเห็นความไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วเราดีจังเลยเอ้ีเนี่ยยืดหมดเลยโอยออกแล้วค่ะออกแล้วสว่างเลยค่ะเอออ๋อแต่ยมบ้ามันดีไงคะออมันดีก็เราดีไงเราตรงนี้เลยค่ะอ่าใช่ใชอ่าทีนี้นะเพราะว่ามันเมันยืดใช่<ๆ>เพราะว่าเออมันถูกใจ มันถูกใจทีนี้จริงๆอะ่ะอาการทั้งหมดทั้งสิ้นนะอาการทั้งหมดหลวงพ่อคาเขียนเรียกว่าอาการแล้ววิญญาณเป็นผู้รู้แต่เราไปยึดจิตว่าเป็นเราเราเป็นจิตเนาะถ้ายัางยึดอย่างเนี้มันมันถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้เพราะยังมีตัวเราอยู่คือเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้หลงผิดเข้าใจผิดนึกว่านึกว่ามันเป็นของดีแต่ที่แท้เนี้ยนะทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นคือสังขารปรุงแต่งยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลยยังไม่ใช่ภาวะที่เที่ยง ยังไม่ภาวะที่แท้สัจธรรมสูงสุดสัจธรรมสูงสุดต่อเมื่อสิ้นยึดคือไม่หลงยึดแล้วไม่หลงยึดไม่ว่าอารมณ์จะดีหรือไม่ดีแล้วก็ไม่มีตัวเราเป็นผู้ยึดตรงเนี้ยเมื่อไม่มีตัวเราเนี่ยมันจึงเข้าสู่วิสังขารคือความไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรเออเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพียงได้แค่รับรู้รับทราบว่าเออมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะแล้วก็แค่รู้เหรอคะแค่รู้พราะว่าถ้าถ้าไม่แค่รู้เนี่ยกลายเป็นมีตัวเราไงเออ แค่รู้ก็คือคอย่าเข้าไปเป็นอย่าเข้าไปเป็นอ่าอย่าเข้าไปเป็นทุกข์อย่าเข้าไปเป็นสุขอย่าเข้าไปเป็นเฉยเฉยอย่าเข้าไปเป็นผู้รู้ด้วยนะตรงนี้อดิอย่าเข้าไปเป็นผู้รู้ด้วยอ่าเพราะว่าโยมต้องหลงตรงทีอ่อยากเข้าไปเป็นผู้รู้ใช่ไหมคะคือหนึ่งของโยมเนี่ยมีหลงสองสเต็ปหนึ่งไปหลงอารมณ์ว่าอารมณ์นั้นดีใช่ไหมสองไปหลงว่า เราเนี่ยเราเราได้พบของดีแล้วเราได้พบของดีแล้วอืมอ เ, เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละตรงนี้แหะจา้าแล้วก็วิธีออกจาก<อ>ทุกก็คือ <ส RGB. S 1> ไม่หลงไปในอารมณ์แล้วก็ ร, รวมถึงไม่หลงไปเ อ, อในความเป็นผู้รู้อ่าความเป็นผู้รู้เนี่ยมันมันเป็นวิญญาณ น, นั่นน่ะอย่าไปหลงไปเป็นวิญญาณเออเพราะฉะนั้นจึงได้แค่แค่รู้รู้ด้วยอะไรตอนเนี้ยมันรู้ด้วยสติปัญญาแล้วเออมันไม่ใช่วิญญาณแล้วมันเป็นสติปัญญาที่เห็นแจ้งรู้ตามความเป็นจริงว่า อารมณ์ก็ไม่ใช่ตัวเราผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวเรามันจึงไม่มีตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นก็จึงเป็นความสิ้นทุกข์คือจบการคือนิพพานอะ่ะจริงๆขนาดจิตเลยอ๋อค่ะค่ะค่ะโอ้ยลบหงไปไปรู้ว่าตัวเองอะ่ะเฉยๆมีอารมณ์เฉยๆก็เป็นใช่เ ห, ห็นไหยเราไปยึดอารมณ์ว่าเป็นเราไปเลยอ่ะว่มันดีค่ะเออทีเนี้ย ถ้าโยมเข้าใจาถ้ายมเข้าใจในตรงนี้ต่อไปโยมจะพัฒนาได้เร็วเพราะว่ามันมันเข้าใจมันรู้แจ้งแล้วมันค่อยๆว่าตอนแรกมันหลงพอหลงเสร็จมันนึกได้ว่าเอา้าหลงไปเป็นเราอีกแล้วหลงไปเป็นอารมณ์<อ>เป็นเราอีกแล้วเนี่ยแล้วมันจะจะเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้เร็วมากเลยอะ่ะยอมเข้าใจแล้วว่าหยมตอนนี้หลงในอารมณ์เฉยๆใช่ไหมคะแต่หลงสองตัวอย่างที่บอกของโยมเนี่ยหลงเข้าไปในอารมณ์อันดับแรกก่อน พอตอนหลังหลงว่าเราเป็นผู้รู้อารมณ์เราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้เออตเแต่ทีนี้วิธีปฏิบัติลัดรสั้นๆที่ง่ายที่สุดเนี่ยให้พบผู้รู้ให้พบผู้รู้ก่อนว่าใครเป็นคนรู้ปรากฏว่าเราเป็นคนรู้เมื่อพบเราแล้วเนี่ยก็ให้ให้วางตัวเราเสียคือให้ใช้เหมือนกับว่าวางตัวเรายัางไงก็คือว่าจริงๆอ่ะตัวเราไม่มีใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนว่าอนัตตา เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงให้รู้ว่าไอ้ที่รู้เนี่ยมันเป็นเอ่อมันเป็นสังขารใช้คำว่าสังขารกันแล้วกันง่ายดีเออพอมีปัญญาเข้าใจว่าโถมันเป็นสังขารนี่มันไม่ใช่เราใช่หน่อยเงี้ยแค่นี้ก็หลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงเออโออยมตง้ามากเล ย, เยามม่ันเนี่ ย, ไ ม, นนยนะไม่ทันดมันดีก็ เ, เ, เลยค่ ะ, ะมันดีมากเลยค่ะอาทีนี้นนทีนี้ขอเป็นปัจจุบันนะ ขอใช้ใชประโยคที่โยมพูดเมื่อกี้เนี่ยแต่จริงมันผ่านไปแล้วละเนาะแต่ว่าจะชี้ก็เห็นว่าเห็นไหมไอความเป็นตัวเราเนี่ยมันเร็วมากเมื่อกี้โยมบอกว่าโอ้โยมตามไม่ทันเห็นไหมมันจะมีความไอตามไม่ทันเนี่ยมันโยมไปเยืดอีกแล้วว่าเป็นเราตามไม่ทันแต่ที่จริงมันไม่ทันก็คือเป็นสภาวะที่มันเกิดแล้วก็ผ่านไปแล้วแต่ยังมีความหลงในขนาดจิต ต, ต่อมาว่าเราเราเราเร า, เราตามไม่ทันอ้า ํารมะละเอียดมากนะในขั้นเนี้ยขั้นปลายเนี่ยโอ้โหมันละเอียดต้องอาศัยผู้รู้คนที่เขารู้เขาบอกเท่านั้นเองไม่งั้นรู้ไม่ได้เลยอ่ะโยกก็คิดว่อย่างงั้นแล้วค่ะโยกก็เดินอยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียวก็หลงไปอยู่คนเดียวนี่แหะใช่ใช่จะสิะค่ะสิ่นี้ก็รู้อย่างเดียวแล้วก็รู้รู้รู้ตามอารมณ์ที่เกิดใช่ไหมคะใช่นั่นแน่สิ่นี้เห็นไหมเราเมื่อกี้ นับได้เลยครบห้าขันเลยว่าที่ว่าเป็นโยมก็คือตั้งแต่มีรูปตั้งแต่อจําได้ตั้งแต่มีเวทานาอะไรเนี่ยไปยึดขันห้าทั้งหมดเป็นเราเลยอ่ะอเพราะฉะนั้นพลิกพลิกนิดเดียวแค่นั้นเองว่าโอ้ไอ้หลงเนี่ยไอ้หลงเนี่ยประเภทหลงเขาเรียกว่าหลงหลงเอาตรงเนี้ยมันจริงๆมันเป็นความเขาเรียกว่าอวิชานะความไม่รู้ไม่รู้ว่าหลงอ่ะคือมันเป็นแบบสุดยอดที่ที่ตัวหลงเลยอ่ะ ยัไม่รู้จริงๆว่าตรงนั้นคือแบบพอพอมันได้สักพักแล้วมันรู้รู้สึกดีแล้วก็หลงเข้าไปจุดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมะเออ เ, เอาค่อยๆพัฒนาตรงนี้แหละจริงๆให้มีให้มีเขาเรียกว่าสำเนีจไว้ในใจตลอดเวลาว่าจริงๆอะ่ะตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีอะไรที่มันมีนะอะไรที่มันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ล้วนแต่เป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้หลงเข้าไปเป็นสังขารเพียงแค่รู้ว่ามีสังขารเกิดขึ้นมีสังขารตั้งอยู่มีสังขารดับไปแต่ตัวเราไม่มีเออจะไงพีค่ะเข่ได่โอเคเนาะแต่พอเพลของกูมีขึ้นจนได้พอหายเพลของกูก็หายไปหมดของกู เสียได้เป็นเรื่องดี